วันนี้พระสงฆ์ทั้งหมด42รูปและศรัทธาญาติโยมคงจะเป็นร้อยอยู่มากวันนี้รู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมมาไหว้พระสวดมนต์วันนี้มากพอสมควรถ้าต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโมทนิยกถาให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อ ระดับสติปัญญาบา ร, รมีของพวกเราเพราะพวกเราจะเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดปาดเปืองหรือรู้แจ้งเห็นจริงตามระดับขั้นตั้งแต่กอไก่ถึงหงษ์ลูกหูกจนถึงปถมมัธยมหรือความรู้ของเราเรื่องการทำบุญทำทานตลอดถึงรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ทำ สมาธิปัญญาจนถึงวิมุตต์หลุดพ้นก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราขาดการได้ยินได้ฟังพวกเราจะเฉลียวฉลาดจะรู้ได้ในหลักของพุท ธ, ธะหรือว่ากฎธรรมเนียมประเพณีหรือว่าเรื่องสามัญของโลกทั่วๆไปเป็นไปไม่ได้ ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาเพราะนั้นพวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนากระทองอาศัยด้วยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ท่านที่อยู่วงในอย่างหลวงพ่อเป็นต้นพวกพวกเรามีภาระทุระมากการทำมาหาเลี้ยงชีพก็นหนักหนาสาหัสอยู่แล้วที่จะมาศึกษาธรรมะปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยว่าลุกลึกซึ้ง ในแนวทางนั้นพวกเราก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะศึกษาขนาดนั้นแต่พวกเราที่มาเข้ามาสู่วัดวาศาสนาอย่างวันนี้เข้ามาสู่วัดวันพระหนึ่งหรือว่า8ปดค่ำสิบ้าค่ำหนึ่งที่เข้ามาไหว้พระรักษาศีลพวกเราก็จะได้พระสงฆ์อย่างหลวงพ่อนี่ก็จะได้อธิบายธรรมะําคําสั่งสอนสิ่งไหนที่พวกเราควรจะได้ฟัง สิ่งไหนพวกเราจะได้รู้ได้เห็นหลวงพ่อก็จะได้นำทำคำสอนในหลักของพระพุทธศาสนาหรือแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาแล้วนำมาประกาศเผยแผ่ขยายผลให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาต่อไปเพื่อประดิษฐ์ประดับสติปัญญาบารมีของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจฟัง แล้วก็ไตรตรองด้วยเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังนั้นเพราะว่าธรรมะทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะคือหลักเหตุผลธรรมะคือทมคำสอนที่เป็นหลักเหตุผลคือหลักถูกต้องไม่พิดเพี้ยนหลักธรรมะคือให้พิจารณาหรือว่าให้เห็นตามความเป็นจริง ความเป็นจริงอย่างไรเราก็จะต้องพิจารณาตามความเห็นเป็นจริงนั้นๆในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกเกิดนะแก่นะเจ็บนะตายนะเป็นจริงไหมพวกเราก็ไต่ตรองตามว่าเออเป็นจริงออไม่ว่าคนชนชั้นชาติชั้นวรรณะไหนถึงจะเป็นประธาเนนาธิบดีนายกเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตามแต่เมื่อ มรณะภาพตายลงไปแล้วทิ้งกระดูกไว้ในโลกเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมพวกเราคิดดูเออใช่นี่แหละคือหลักของพุทธศาสนาเนี่ให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าชาติชั้นวันณาไหนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วแก่เจ็บตายอันนี้คือกฎ ธ, ธรรมชาติพระพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็อสอน ให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะนั้นให้พวกเราเห็นตามความเป็นจริงไหมถ้าว่าพวกเราเห็นตามความเป็นจริงกิเลสในใจของพวกเราคือความทะเยอทะยานโลภจนเกินไปโกรธจนเกินไปหลงมัวเมาจนเกินไปจนไม่รู้จักอะไรโลภอยากได้ทั้งหมดในจักรวาลอันนี้หลักของพุทธศาสนาถ้าว่าเราได้คิดถึงจุดนี้แล้ว มันจะลดความโลกความโกรธความหลงลงลดความเดือดร้อนวุ่นวายในใจของพวกเราลงได้ถ้าคนมีธรรมะในจิตใจเพราะนั้นพระพุทธศาสนาพุทธเ จ, จ้าจึงสอนหลักธรรมะคือหลักเหตุผลเข้าสู่จิตใจของพวกเราถ้าพวกเรามีเหตุมีผลแล้วนั่นแหละทีนี่ความพอดีก็จะเกิดขึ้น ตอนนี้ในหลักของเหตุผลนั้นถ้าเรานำมาคิดนำมาพิจารณาธรรมดามันก็เห็นเป็นสัญญาและสังขารมันไม่ชัดเจนเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าก่อนที่พวกเราจะถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอันนี้ว่าสุดตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไขควรทบทวนและกัภาวนามยะปัญญาตัวนี้ตอนเ ร, รื่องที่ภาวนามยปัญญาจุดนี้แหละที่พวกเรายังไม่เคยพบเคยเจอเคยเห็นมีแต่จินตามายะปัญญากับภาวนามยะไอจินตามายะสุดตามยะปัญญากับจินตามายะปัญญาส่วนภาวนามยะปัญญาเนี่ ในหลักของพุทธศาสนานี่ท่านให้ภาวนามายปัญญาเป็นจุดที่พวกเราจะต้องศึกษาอย่างจริงทําไมจึงต้องศึกษาจุดภาวนามายปัญญาเพราะว่าภาวนามายปัญญาก่อนที่เราจะรู้จริงเห็นจริงปล่อยวางหรือว่าเห็นได้ชัดเจนเห็นแล้วปล่อยวางจริงๆเนี่ยคือภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญาเนี่ยทำจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่ง ไม่ให้จิตไม่ให้จิตใจของเราเป็นสองเป็นสองสองเงื่อนหรือสองแนวความคิดปุง่งฟุ้งซ่านจับไม่อยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะมองไม่เห็นเหมือนกับเราตาผ้าอย่างนั้นะมันจะไม่เห็นตามความเป็นจริงถ้าเราจ้องดูจุดเดียวเราจะรู้แจ้งเห็นจริงว่าอันนี้คืออะไรเราจะเห็นได้ชัดเจนในเมื่อเห็นได้ชัดเจนแล้ว เราก็รู้อันนี้เป็นของปฏิกูลอันนี้เป็นของศสกปกอันนี้เป็นของที่ไม่ดีเราก็จะเห็นได้แล้วก็จะปล่อยวางในจุดนั้นนี้ก็เหมือนกันสมาธินี่คือทาจิตใจให้เป็นหนึ่งทำจิตใจให้แน่วแน่ทาจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวจากนั้นเมื่อจิตใจเป็นหนึ่งเดียวจิตใจไม่หวั่นไหวไกวแกว้วกงจิตใจเป็นสมาธิ image. นิ่งจากนั้นเราก็นามาพิจารณาจ่อจ่อง กำหนดอยู่จุดไหนจอดูจุดไหนเพ่งดูจุดไหนกำหนดดูจุดไหนเราจะเห็นได้ชัดด้วยสติด้วยปัญญาของเราว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเห็นความแก่อย่างนี้หรือว่าเห็นความเกิดอย่างนี้คนเกิดมาไปยังไงเราก็เห็นทุกขนาดไหนเมื่อเกิดขึ้นมาเมื่อแแ บ, บกขึ้นมาแล้วเป็นยังไงแล้วแก่ขึ้นมา เป็นตามขั้นตอ น, นมาจนถึงแก่ง่อมหูตาตาฝ้าฟางหูหนวกหูตึงฟันหลุดนังเหี่ยวอย่างนี้และเป็นยังไงสุขหรือทุกข์เราก็จะเห็นได้ชัดเจนด้วยปัญญาของเราเพราะเราจิตใจของเราไม่ไม่วันไหวกลวยแขวงเห็นตามความเป็นจริงจริงเมื่อเห็นเขาเราก็น้อมมาหาตัวเองเมื่อน้อมมาหาตัวเองก็น้อมไปดูเขา ใช้คำว่าเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบนอกก็คือเห็นสิ่งภายนอกเปรียบเทียบในก็คือเห็นสิ่งภายในของเราเห็นตัวของเราเองเนี่ยอันนี้แปลว่าปัญญาใช้ปัญญาเริ่มใช้ปัญญาใช้ความคิดเปรียบเทียบอะจากนั้นก็เห็นคนที่ล้มหายตายจากไปเนี่ยและจากนั้นก็นํามาพิจารณาอีกว่าเอออีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างเขานี่คือเขาเป็นตัวอย่างให้เราแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวอย่างเรา อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าโตจ้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือเนี่ยแหละใจของเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราได้อะไรเนี่ยหลักของพุทธศาสนาเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วได้อะไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านว่าได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละทีนี้มันจะเข้าไปสู่จิตใจแล้ยส่วนร่างกายนี้เป็นรูปธรรม มันจะต้องไหลไปสู่สภาพของมันคือเกิดแก่เจ็บตายและก็สลายลงสู่ดินน้ำลมไฟเป็นกระดูกและก็จบทาให้เป็นกระดูกก็นั่นแ่ะเอาไปไว้ในงหงซุย้ยอย่างนั้นแ่ะเป็นรูปร่างนอนอยู่ในที่เขาก่อให้อยู่อย่างนั้นแ่ะถึงจะไม่เผาก็เป็นกระดูกเป็นโครงสร้างอยู่อย่างนั้นแต่ต่อไปมันก็จะต้องเปื่อยสลาย ลงไปสู่ดินน้าลมไฟแต่มันสลายช้าหน่อยแต่ถ้าเราเอาไปเผาไฟมันฉลายเร็วหน่อยแต่สลายด้วยกันมันสู่ดินน้ําลมไฟเหมือนกันแต่ใจที่นี่ตามมัธรมคือใจตรงนี้แหละที่เราไปหลงคือหลักของพระพุทธศาสตร์สนานี่พระธรรมคำสั่งสอนของพระ พ, พุทธเจ้านี่ท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจใจไปก่อนใจเป็นเป็นแนวความคิดใจเป็นผู้นำใจเป็นพลังถ้าว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาเราไม่ได้ใช้ความสกัดสกัดกั้นใจของเราใจของเราก็จะเตลิดเปิดเปลงคิดออกนอกลูก่นอกทางกิเลสเข้าไปเสริมเห็นอะไรก็รักโรธโกรธหลงไปหมดแต่ถ้าว่าเรามีธรรมในใจ เอาหลักของพระพุทธศาสนามาสกัดมาเพ่งดูใจของเราดูสิใจของเรามันเป็นยังไงกําหนดดูสิใจของเราเป็นยังไงเน่ในเมื่อดูใจของเราแล้วใจของเรามีเหตุมีผลใจของเรามีธรรมะใจของเราเห็นตามความเป็นจริงใจของเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไออาสวะกิเลสก็คือ โลภโกรดหลงในจิตในใจไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปล่อยวางทั้งหมดเนี่ยธรรมะทรรำคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นเข้ามาสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายแต่เรื่องร่างกายนั้นเป็นเครื่องอาศัยเหมือนกับบ้านบ้านเรือนเราปลูกขึ้นมาแล้วคือเป็นบ้านเรือนแต่ข้อสำคัญคนที่อาศัยบ้านเรือนหลังนั้นละ่ะสำคัญกว่าสำคัญกว่าบ้านเรือนนี้ก็เหมือนกัน บ้านเรือนน่ยไม่สําคัญเท่าเจ้าของบ้านนี้ก็ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าร่างกายเนี่ยไม่สําคัญเท่าจิตใจจิตใจที่อาศัยร่างกายทีนี้นสําคัญกว่าจะดีจะชั่วจะร้ายจะดียังไงใจนั่นแหะเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเหมือนกับเราสร้างบ้านเรือนขึ้นมานั่นนะบ้านเรือนมันก็ไม่ได้ทําอะไรแต่เจ้าของบ้านนั่นแหะ ที่ไปอยู่ในบ้านหลังนี้แหละไปทำดีไปทำชั่วไปคดไปโกงไปป้นไปจี้ไปขโมยอันไหนสิ่งไหนขึ้นมาก่อนนี่และคนในบ้านทั้งนั้นอะไปทำนี้ก็เหมือนกันหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญใจแต่ว่าใจดวงเนี้ยมันดูยากเหลือเกินขนาดเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ามีหน้าที่ดูจิตใจอย่างเดียวขนาดก็ยังจับไม่ถูกเหมือนกัน มันยากแต่ถึงจะยากก็ ง, ง่ายก็เป็นหน้าที่ของพวกเราถ้าว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามไม่เหลือวิสัยที่พระพุทธเจา้าว่าไม่เหลือวิสัยเพราะฉะนั้นการที่จะจับดูใจนั้นทํำยังไงท่านว่าให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวอยู่ขณะนี้เราทําอะไรเรานั่งอยู่ใช่ไหมในเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ย เรานั่งอยู่ในสภาพไหนให้มีสติอยู่ในตัวของเราอย่าเพ่งไปทางอื่นอย่าคิดไปทางอื่นอย่าไปคิดถึงบ้านถึงเดือนถึงใครๆทั้งหมดให้มีสติอยู่กับตัวกับตัวเองขณะนี้พร้อมกันก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าด้วยเมื่อหลวงพ่อพูดไม่ต้องไม่ต้องส่งใจมาถึงถึงเสียงของหลวงพ่อให้ดูให้ตัวเองดูลมหายใจเข้าออกเท่านั้นละพอเสียงของหลวงพ่อเนี่ย จะผ่านเข้าไปในหูพวกเราทั้งหลายจะรู้ว่าหลวงพ่อพูดอะไรเป็นคําเป็นคําเป็นคําไปแล้วก็จบเข้าใจเข้าใจเข้าใจเท่านั้นแหละพอไม่ต้องฟังเพื่อจำฟังเพื่อรู้เท่านี้นแหละพอนะนี่แหละวิธีการฟังถ้าพวกเราฟังอย่างนี้แล้วความสงบในจิตในใจของเราก็จะเข้าดิ่งเข้าไปสู่ใจของเราได้เพราะในพวกเรา เมื่อฟังแล้วให้ดูที่ใจทีนีพอดูร่างกายก็ดูมาพอแรงแล้วดูมาแล้วร่างกายดูขนาดไหนบำรุงบำเลอขนาดไหนเลี้ยงดีขนาดไหนธนุถนอมขนาดไหนร่างกายไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่วันจะแก่ไปข้างหน้าเลี้ยงดีขนาดไหนก็แก่ไปเรื่อยแก่แก่ไปเรื่อยเราเห็นคนหนุ่มไปข้างหน้าไหมที่บ่าโอ้ร่างกายรู้สึกว่าสุด ใช้กัะปีก้กระเป๋านะลูกซื้อว่าหนุ่มกระพูดเพื่อเอาใจคนนั้นเท่านั้นเองแต่ทําให้จริงในใจนะโอ้มันไม่เห็นหนุ่มไปข้างหน้าสักทีมันจะแก่ไปเรื่อยๆของมันนั่นแหละแต่จะว่าโอ้คุณเนี่แก่มากเลยเพอเพอเขาจะไม่เอาน้ํามาให้กินอีกต่างหากถ้าไปบ้านเขาว่างั้นเถอะหาว่าดูถูกเขาอ่ะเราก็ต้องประหลาะปะหลาะพูดประหลาะพูดอย่างนั้นะโอ้ดูร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะ เห็นหลายปีที่แท้เห็นแล้วมันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละตามความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แหละหลวงพ่อเนี่รู้แก่ตัวจริงจริ ง, รงว่างั้นแต่หลวงพ่อโอ้หลวงพ่ออินมาเห็นหลายปีก็ยังอย่างเก่าแต่หลวงพ่อไม่ตื่นนะหลวงพ่อเอ้ยสู้เจ้าเนประละพูดอย่างนั้นแหละเพื่อกินขนมเพื่อกินโกโก้หลวงพ่อว่างั้นแต่ที่แท้องพ่อรู้แก่ใจเนี่ยหกสิบห้าปีแล้วมันจะเป็นหนุ่มได้อย่างไร หลวงพ่อรู้แก่ใจอีกสักวันข้างหน้านหลวงพ่อจะเป็นยังไงหลวงพ่อก็อ่านทะลุปไปอีกเราจะอยู่ไปได้สักกี่ปีทีนี่เรามีความดีพอหรือยังหลวงพ่ออ่านไปถึงขนาดที่คือความดีคือเข้าสู่จิตใจเพียงพอหรือยังนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็พร้อมอในจุดนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นทั้งพร้อมทางกายพร้อมทางใจเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายถึงยังไงยังไง ชีวิตของพวกเรามันก็มีจุดนั้นเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าหลงหน่าสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีพยายามทําพยายามสังสมบูร์กุศลและก็พร้อมกันหน้าที่การงานก็จะตั้งอยู่ในความประมาทให้ทําเออไม่ใช่ว่าไม่ให้ทําเมื่อทะลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายและก็เบื่อหน่ายและก็ไม่ทําการงานไม่ใช่ชีวิตของพวกเราจะต้องอาศัยปัจจัยสี่จะต้องวิ้งเต้นขวนขวายต้องทําให้ดี แต่เมื่อทําแล้วเราก็ต้องคิดว่าถึงจะทําดีร่ารวยขึ้นมาขนาดไหนร่างกายของเราก็จะต้องถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งนะอย่าหลงนะอย่าลนะืาล่มนะใจนะแต่ว่าถึงยังไงข้าจะต้องทําจะต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อความผาสุก ข, ของร่างกายเพื่อความผาสุก ข, ของครอบครัวเราไม่ได้เบียดเปลี่ยนใครผู้ใดผู้หนึ่งเราพยายามหาทรัพย์สมบัติให้มีเพื่อเลี้ยงเราเพื่อจะได้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศล เราจะไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเราจะทําให้ดีที่สุดอันนี้คือเป็นหน้าที่ของเราจะคิดคิดไว้ในใจแต่ว่าพร้อมกันก่อถึงจะข้าไปเจ้าจะทําดีขนาดไหนก็ตามข้าไปเจ้าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายอันนี้เราคงคิดไว้อีกเหมือนกันอันนี้แปลว่าเมื่อเราคิดอย่างนั้นเราจะไม่ลืมตัวเราจะวางตัวถูกที่ทำอะไรลงไปทํำกับความสบายใจ คือไม่ทุกใจถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ทุกใจมากถ้ามีอะไรผิดหวังก็ไม่ิดไม่ทุกใจมากเพราะเราได้คิดได้พิจารณาค่าควรทบทวนในตัวของเราแล้วอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องทิ้งทั้งหมดนะใจนะอย่างนี้ให้คล้ายกับเราได้คิดปล่อยวางไว้ได้จิตในใจลึกๆไปอยู่แต่ว่าภายนอกเนี่ยเราจะต้องทําอย่างหลวงพ่อ กำลังพูดที่นี่หลวงพ่ออินกําลังพูดที่นี่หลวงพ่อปล่อยวางทําไมหลวงพ่อจึงมีวัดจึงมีพระเนนจึงไมแนะนําสั่งสอนทําไมจึงดุด่าว่ากล่าวพระองค์ไหนทําไม่ถูกหรือว่าญาติโยมใครทําไม่ถูกหลวงพ่อจะต้องดุทําไมหลวงพ่อดุทำไมหลวงพอ่ไงพอไม่ปล่อยวางอันนี้เราอยู่ในโลกยอยูนิ่งกฎระเบียบเราอยู่ในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้พระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็น ผู้ใหญ่นี่ดูแลพระสงฆ์ยังไงเป็นผู้ดุอาว่ากาวอย่างไรเป็นผู้ให้โอวาาอย่างไรเป็นผู้แนะนําสั่งสอนจัตไาญาติโยมอย่างไรหลวงพ่อก็พยายามทําดีที่สุดถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ถูกหลวงพ่อก็ดุอ า, า, าว่าก่าวอย่าทำนะอันนี้เป็นการเหยียบย่ําทำลายพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่คําสั่งสอนของหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้ดูแลรักษาพระพุทธศาสนา เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าทำอย่างนี้นะไม่ได้นะหลวงพ่อก็จะดูด่าว่าเก่าแต่ถึงยังไงถึงดูด่าว่าเก่ารักษาขนาดไหนในส่วนลึกของหลวงพ่อหลวงพ่อเอออันนี้คือหน้าที่เราจะต้องทำถ้าไม่ทำแปลว่าเราบกพร่องต่อหน้าที่ที่เรามาบวชได้เราได้พึ่งพาอาศัยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเป็นแนวทางและเป็นสะพาน เป็นถนนที่ไปสู่มรรคผลนิพพานแต่คนทั้งหลายจะมาทำลายถนนซะมาทำลายสะพานทะอย่างนี้ถ้าคนทั้งหลายมาทำลายสะพานมาทำลายถนนคนที่อยู่เบื้องหลังน่ะเขาจะทำยังไงเขาจะถึงมรรคผลผลไหมเพราะนั้นเราก็ต้องบอกกล่าวพูดคนที่จะมาทำลายถนนทำไมทำลายขนทางเอ้ยอย่ามาทำทำลายถนนนะอย่ามาทำลายสะพานนะทินทาอย่างนั้นได้ยังไงอย่าทะ หลวงพ่อคุณผู้รักษาก็จะต้องบอกดุด่าว่ากล่าวตามหน้าที่แต่ตามไม่จริงถ้ามันเขาเอาจริงๆเขาไม่ฟังจริงๆหลวงพ่ อ, อปปกขาอุเปกขาเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีทั้งเมตตากรุณามุติตาอุเ ป, ปกขานะถึงอุเ ป, ปกขาก็คือความวางเฉยเพราะสุดวิสัยแล้วแต่ถ้ายังไม่สุดวิสัยเราก็ต้องรักษาต้องปกป้องต้องดูแล อันนี้ศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันเมื่อเราเป็นคราวาสญาติโยมเรามีลูกปีหลานมีครอบมีครัวมีบริวารคนงานห้างร้านต่างต่างเราก็ต้องดูแลเขาตามอัตภาพสิ่งไหนที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเราก็พยายามแนะนําสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนเขาให้เขาเป็นคนดีให้มีเขาพิคุณภาพคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่ถ้าว่าเขาทําชั่วจริงเราก็ต้องหาวิธีการลงโทษเขา ตามตัวบทกฎหมายต่อไปไอันนี้ก็คือเราเป็นผู้อยู่ในสถานะที่จะต้องทำอย่างไรอันนี้คืออยู่ด้วยหลักเหตุผลอยู่ด้วยหลักธรรมอยู่ด้หลักศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแต่ในจิตใจนั้นเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนมนุษยชาติจะไม่เบียดเบียนมนุษยชาติ ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมโนกรรมก็คือไม่คิดเบียดเบียนเขาไม่คิดพยาบาทเขาไม่เห็นผิดจากทํานองครองธรรมอันนี้ว่ามโนกรรมแล้วก็วจีกรรมไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบให้แก่เขาส่วนกายกรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่ดื่มสุราอย่างนี้ย อันนี้เลยวากายกรรมทำตนให้เป็นคนดีทั้งกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมถ้าว่าเรามีกายกรรมดีวัจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีไปในทางที่ดีอยู่กับใครๆอยู่กับโลกก็มีแต่ความผาสุกแต่ว่าถ้าจิตใจเป็นอากุศลไม่ใช่กุศลนะอากุศลอะแปลว่าไม่ดีจิตไปจิตใจไปทางอากุศล จิตไดเป็นอกุศลวาจาก็เป็นอกุศลการกระทําก็เป็นอกุศลกลายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีไปอยู่กับใครก็มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะกายวาจาใจไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมพระพอีนั้นเอาศีลธรรมเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นแบบอย่างหรือเป็นกระจกเงาสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเราทําได้อย่างนี้นะ เราไปอยู่นักสถานที่ใดเราเกิดมาในกลุ่มไห น, มนก็เป็นผู้มีแต่ความเจริญมีแต่ความสุขความเจริญโชติปรายโนโชติให้เขาว่าเกิดมาแล้วก็เจริญมาแล้วก็เจริญไปโชติปรายโนตโตมตมะไถ้าบางคนเนี่ยเบื้องต้นก็เป็นเด็กก็เป็นเด็กที่ดีพ่อแม่ได้รับการเสี่ยมสอนที่ดีพอ ใหญ่ขึ้นมากะติดหมู่ติดเพื่อนคบค้าสมาคมหมู่เพื่อนที่ไม่ดีผลที่สุดก็เลยเลวไปเป็นคนเลวเสียหายไปอันนั้นเรียกว่าโชติปรายโนตโมตมะสว่างมาแล้วมืดไปพวกเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นให้พวกเราตโมตมะปรายโนโชติให้ค่ายบอกเมื่อเราเป็นน้อยเป็นหนุ่มเราทําหน้าที่การงานทํามาหาเลี้ยงชีพ มันจะต้องทําผิดบ้างถูกบ้างแต่เมื่อเท่าแก่ชรลาเมื่อเราได้มาเข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติแล้วที่เราทําในอดีตที่เป็นน้อยเป็นหนุ่มมานั้นมันคดมันโค้งบ้างสิ่งที่มันไม่ถูกก็มีแฝงเข้ามาอยู่บ้างแต่บัดนี้เรารู้แล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราควรจะไม่ควรจะทําอย่างนั้นเราควรจะงดได้แล้วเนยมาถึงจุดนี้แล้วอันนี้เลยว่า ตมโมตมะปรายโยโชติแปลว่ามืดมาและสว่างไปพวกเราควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบรนปลายของชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเรือล่มบาดจอดตาบอดเมื่อแก่อย่างนั้นแปลว่าเสียนะเรือล่มบาดจอดตาบอดเมื่อเท่าเสียเพราะนั้นเราจะให้เป็นอย่างนั้นนี่บางค น, นว่าคบผลผ่านผ่านไปหาผิดครบบัณฑิตพาไปหาผล พลนั้นให้พวกเราครบคาสมาคมใจของเราเหมือนกันนะ่ะบันดิตกนักปาด์ไปอยู่ในใจของเราถ้าใจของเราคิดไปนในความโลภความโกรธความหลงแปลว่าถ้าเราไปส่งเสริมมันแปลว่าเราครบคนพาดนพนะานในใจของเรานะมันก็ต้องพานไปหาผิดอยู่เรื่อยแต่ไม่งั้นะ่ะคบบันดิตอย่างที่ว่าเออเราควรจะมีทานมีศีลมีภาวนา ให้รู้จักเหตุรู้จักผลสิ่งควรไม่ควรอันไหนควรทำอันไหนสิ่งไม่ควรทำอันไหนควรพูดอันสิ่งไหนไม่ควรพูดสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนไม่ควรคิดบาปุลคุณโทษมีจริงเราได้ศึกษาได้ฟังธรรมะําสั่งสอนแล้วเราก็เด่นนั่งภาวนาดูแล้วจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเรารู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจเนี่ยอาศัยกันอยู่เมื่อร่างกายแตกไปตายไปสลายไป ใจดวงนี้ไม่ตายแน่เพราะเรารู้ได้ด้วยตนเองว่าใจของเราเนี่ยเมื่อจิตใจสงบลงไปเห็นชัดในร่างกายของเราในตัวของเราทั้งกายทั้งใจมันอาศัยกันอยู่เหมือนน้ำกับน้ำมันอย่างนั้นน่ะอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันกายกับใจกับลักษณะอย่างนั้นแ่ะเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนั้นแล้วนั่นแหละใชนี่มเราก็จะวางตัวถูกล้วใ่ อันไหนไม่ควรยังไงอันไหนควรยังไงอันไหนควรจะปรับยังไงอันไหนควรจะแต่งยังไงเราจะรู้จักความพอดีในตัวของเราเพราะฉะนั้นพวกเราให้ศึกษานะธรรมะนี่คือหลักเหตุผลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าธรรมะคือหลักเหตุผลธรรมะคือหลักถูกต้องธรรมะเนี่ควรให้โอปัยิโกดูกายดูใจของตนเองถ้าเราดูกายดูใจของตนเองแล้ว แล้วกายเนี่ยมันก็ต้องแตกอย่างที่ว่าเนะี่ยใจอย่าไปลุ่มหลงมัวเมานะใจอย่าไปลุ่มหลงอย่าไปลืมตัวอย่าไปให้ความสําคัญว่าโลกจักรวาลนี้จะเป็นของตัวทั้งหมดตัวจะอยู่ในโลกจักรวาลเท่านานแค่นานไม่ใช่นะอันนี้คือหลักธรรมะที่ท่านสอนไว้หมดแล้วก็หลักของพุทธศาสนาจุดสูงสุดทีนี้ จุดสงูงสุดที่พระพุทธเจ้าที่ท่านไปค้นคว้าศึกษานั่นน่ะสูงสุดของพุทธศาสนาคืออะไรคือจุดมุ่งหวังจุดมุ่งมั่นของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพระสาวกทั้งหลายเนี่ยคืออะไรเนี่ยจุดมุ่งมั่นมุ่งหวังของพระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันต์พูดอย่างนั้นได้เลยคือจุดยอดที่พระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะพูดยังไงยังไงยังไงยังไงก็ไปก็เถิดนะ ก็เพื่อเป็นพระอาหารหันต์เพื่อให้พ้นทุกข์เหมือนกับเราทำมาค้าขายเนี่ยทำมาค้าขายมากมายขนาดไหนแต่ก็เพื่อเอาอาหารการบริโภคให้เป็นโปรตีนวิตามินครบกลุ่มหเข้ามาในเข้ามาในป่าของเราเพื่อให้บารุงร่างกายของเราให้อยู่ได้ให้มีความสุขไม่ให้เดือดร้อนด้วยปัจจัยสนี่แหละ อันนี้ก็เหมือนกันที่พระพุทธจเจ้าแนะนําสั่งสอนพวกเราตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลตั้งแต่ภาวนาตั้งแต่กิ ร, ยริยามารยาทพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยกันยังไงมิตรสหายทํำยังไงครูบาอาจารย์ทํำยังไงที่พระพุทธจเจ้าแนะนำํำทำคําสั่งสอน8ป0 0 0ื่ี่พันพระธรรมขันธ์คือการแนะนําแต่ละเล่แต่ละเหลี่ยมแต่ละสันแต่ละคมแต่ละมุมมอง สรุปแล้วก็คือให้พวกเราเป็นคนดีดีขนาดไหนดีกระทั่งว่ารู้แจ้งเห็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้จริงเห็นจริงที่ใจว่าอันนั้นคือกิเลสนะราคะนะอันนั้นโทสะอันนั้นโมหะนะเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงนะ่ะใจก็ปล่อยวางเมื่อใจปล่อยวางใจก็จิตแจงเราก็หลุดพ้นหลุดพ้นก็เหมือนกับเรากลั่น น้ำมันออกจากที่อย่างเขากันโรงน้ํากันดูดูน้ํามันมันมีหลายประเภทนะที่หลวงพ่อได้เขาพูดบางทีออกมาจากหินก็มีเป็นหินเป็นน้ํามันก็มีนะหินเป็นน้ํามันเราก็จะไม่เคยได้ยินพอสกัดมาทุบก้อนหินเข้าไปมากลั่นออกไปหินนั้นเป็นกลายเป็นน้ํามันแต่ออกมาก็เป็นน้ํามันมาใช้แต่เราจะเอาน้ํามันไปขยำกับหินให้มันเกิดเป็นหินอีกมันก็เป็นไม่ได้เพราะมันออกมาแล้ว นี้ก็เหมือนกันใจที่บริสุทธ์ออกมาจากใจที่ไม่บริสุทธิ์ใจที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือที่ใจที่มีโลคมีโกรธมีหลงมีราคะโทสะโมหะแต่เมื่อเราพิจารณาไตรตรองด้วยศินสมาธิปัญญาของเราสัมมาทิฏฐิพิจารณาดูให้ดีกันกรองให้ดีแล้วกิเลสราคะโทสะโมหกะกันเด่นออกจากจิตจอกจากใจของเราใจของเราก็เป็นมิติหนึ่ง เป็นอีกแนวหนึ่งเป็นน้ํามันไอพวกนั้นเป็นกลากกิเลสทั้งหลายเป็นกลางใจของเราออกมาเรียกว่าจิตที่เป็นอมตะธาตุเป็นอมตะอมตะแปลว่าสิ่งที่ไม่ตายอมตะธาตุเป็นธาตุอันหนึ่งอมตะธาตุอมตะธรรมจวัฒนิพานเที่ยงกไชยนิพานนล้วไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปทางไหนท่าไหรเพราะมันเป็นมันเป็นธาตุอันหนึ่งแล้ว เป็นอมะตะาธาตุแล้วจิตใจของเป็นของเราเป็นหลุดพ้นแล้วจากกิเลสราคะโทสะนี่แหละเราจะกันกรองด้วยวิธีอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นะกันมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาภาวนาเนี่ยเป็นตัวกลั่นครั้งจุดท้ายไตรตรองด้วยเหตุและผลจากนั้นก็ปล่อยวางที่จิตที่ใจของพวกเราเพราะนั่นให้พวกเราท่านทั้งหลายนะ สิพองพูดพูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อพูดในแนวความพิดษค่อ่ๆทําจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วปล่อยวางแต่ตามไม่จริงก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้หลวงพ่อจะให้จุดจับประเด็นไหนก่อนถ้าเราเป็นฆราวาสญาจโจมหลวงพ่อเออให้ให้เตรียมเออทําตนให้เป็นคนจิตใจกว้างขวางเนอ จะเป็นผู้คนคิดตณีทีเหนียวพอเสียสละให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องแบ่งปันก็ให้เป็นผู้มีน้ำใจให้สัตว์สาลายสิงให้มีน้ำใจอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันเน้ออันนี้ก็คือน้ำใจคือทานศิงให้รักษากายวาจ่าของตนเองเน้ออย่าให้มีโทษจะไปฆ่าสัตว์จะไปขโมยทรัพย์ให้ตำรวมระวังอันนี้นะวาจาก็จะไปพูดให้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องเน้ออันนี้ก็คือต้น รักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาเนอเนี่แหละภาวนาตัวนี้แหละสําคัญทีนี้จุดที่สําคัญจุดที่ใหญ่ที่สุดคือภาวนาทํำยังไงนั่งขัดสมาธิเนี่เหมือนนั่งพระประธานเดี๋ยวหลวงพ่อจะพานั่งะนะทนอีกไม่นานหลวงพ่อจะพานั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าให้มีสติสัมปชัญญะที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นไว้ ให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเรารู้ตัวเรานั่งอยู่ขณะไหนเดี๋ยวนี้เราทําอะไรเรานั่งอยู่ในสถานะไหนเรานั่งและเอามือเอาขาทับยังไงเนี่ยให้เราก็รู้มีสติอยู่ในตัวของเราคือไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่ส่งถึงอดีตไม่ส่งถึงอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะ น, นี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่อย่างไร จะนั้เรากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าลมลมอยู่ในจมูกของเราเพราะเราไม่เคยกาหนดนะ่ะอันนี้เราต้องพยายามหายใจพยายามทดลองทดสอบดูด้วยตนเองนะหายใจสืบเข้าแรงๆดูแล้วก็หายใจปล่อยแรง ชัดสามสี่ห้าครั้งเราจะรู้ได้ว่าเออลมมันผ่านที่ปลายจมูกของเราจริงๆถ้าลมไม่เข้าจมูกเราตายแน่เพราะงั้นเธอคนไม่มีลมแต่นี่ลมมีลมแต่เราไม่เห็นเท่านั้นเองว่ามันเข้าที่ไหนเพราะเราไม่ได้สังเกตมันมาแต่เราเกิดมามันก็มีลมอยู่แล้วแต่เราขาดการใส่ใจขาดการดูแลขาดการกําหนดมันเราก็เลยไม่เราก็เลยไม่เห็นแต่บัดนี้เราจะให้เห็นเราก็กําหนด ทำไมเราจึงอยากจะให้เห็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าพระพุทธเจ้าคืนวันที่ท่านได้ตัดสู้วันเดือนหกเพนนนั้นท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะนั้นเรากําหนดลมหายใจเข้าออกไม่เห็นลมเราจะทำอย่างไงเราก็ต้องพยายามทําให้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวที่ท่านได้บรรลุหรือท่านได้ตัดสู้ธรรมในวันนั้นเราก็พยายามสืบสอบดูหายใจแรงๆดู เราก็จะรู้ได้เออลมหายใจเข้าออกมีจริงจากนั้นเราก็กําหนดที่ปลายจมูกนะทีเวลาหายใจเข้าพดเวลาหายใจออกก็โทแต่อย่าไปแต่งลมจะไปกึงจะไปเกรงให้เป็นปกติเหมือนกันเถอะให้เพียงแต่ว่าให้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกอย่างปกติปกติอย่างไรก็อย่างนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าให้มีสติให้รู้ว่าลมเข้าให้รู้ว่าลมออกเพียงแค่นั้นแหละทีนี้หายใจเข้าบริกรรมด้วย แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บริกรรมนะในวันในวันที่ท่านตัดสู้นั้นแต่ต่อมาหลวงปู่มั่นของเราที่สอนเออถ้าเรากำหนดธรรมดาเนี่ยมันรู้สึกมันสั้นเกินไปมันไม่มีหลักยึดควรจะหายใจเข้าควรบริกรรมว่าพุทธหายใจออกควรบริกรรมว่าโทอันนี้เราทามาต่างคนก็ต่างฟวามเออได้ผลเพราะมันยาวหน่อยมันจะยึดพุทธโทด้วย หายใจเรากดบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทโทไม่ต้องทรงจิตไปที่ไหนทั้งหมดให้มีสติอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นพุทโทอย่างนั้นบังคับให้มันอยู่จิตระดับนี้ต้องบังคับนะจะให้มันทําเองมันไม่ทําหรอกมันทะเลถลายเนี่ยรู้ได้ให้รู้เลยว่ามันมันไม่อยากจะทําคุณงามความดีหรอกเหมือนกับเด็กฝึกให้เด็กอ่านนึกเด็กไปเรียนหนังสืออย่างนั้นอ่ะมันไม่อยากจะไปหรอก มันงอแงนะวเพอเพอมันจะร้องให้เอาเพอเพอไฟไฟเหมือนกับมันจะเอาไปเขียนไปตีมันอย่างนั้นแหละนี้ก็เหมือนกันใจของเราเน่ยจะกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยโดยมากมันยังไม่เห็นคุณมันยังมันยังเห็นโทษมันยังเห็นว่าสั่งอย่างอื่นมันมีความสนุกกว่ามันก็อยากจะไปจับอยากจะไปคิดในสิ่งอื่นแต่เราก็บังคับมันเพราะมันยังไม่รู้ คุณค่าของจิตสงบนะนะมันยังไม่คุณค่าของจิตสงบเหมือนกับเด็กยังไม่คุณไม่รู้คุณค่าว่าเมื่อเรียนหนังสือไปแล้วเมื่อได้หนังสือแล้วจบในการเรียนปริญญาตรีโทเอกแล้วมีคุณค่าอย่างไรเด็กเขายังไม่รู้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นให้เด็กเรียนหนังสือเด็กเลยงองแงแต่เมื่อเขาได้เรียนเข้าไปแล้วจะนี่บอกให้เขาหยุดหรือเช่อโอ้ยหยุดไม่ได้ ให้เขาหยุดวันหนึ่งเขาก็เสียเวลาเขาไม่ให้หยุดเขาไม่อยากหยุดไงเพราะอะไรเพราะเขารู้คุณค่าแล้วนี่ก็เหมือนกันนะ่ะใหม่ๆเราก็ต้องบังคับให้มันนั่งภาวนาในเมื่อบังคับหลายครั้งต่อหลายหนจนจิตเข้าสู่ความสงบทีนี้จิตเข้าสู่ความสงบนั้นคืออะไรเมื่อเราไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านออกไปข้างนอกจิตมันก็นิ่งพอนิ่งใช่ไหมก็เริ่มเป็นสมาธิแล้วทีนี้ มันคล้ายๆว่าจิตรวมปุ๊บจะว่ามันเผลอก็ใช่จะว่ามันเคลิ้มๆก็ใช่จะว่ามันหลับก็ใช่มันมันคล้ายๆนั่นแหละแต่สรุปแล้วก็คือมันเย็นผิดปกติในจิตทั่วๆไปอันนี้พูดได้ว่านี่แหละเริ่มแหละจริงมันวาบเหมือนกับแสงสว่างหรืออะไรเข้าไปสู่จิตใจของเราเย็นสบายอันนี้เราว่าคณิกะสมาธิเนี่ยจิตของเราเริ่มเป็นสมาธิ นี่ยนะพอเริ่มเป็นสมาธิจิตใจก็เริ่มขยันแล้วนะทีนี้นะเหมือนกับเด็กเขาเรียนกอไก่ถึงฮอร์นคูกได้แล้วทีนี้มันเริ่มขยันนะรู้จักแนวทางนะเริ่มผสมผสานเริ่มเริ่ม อ, าอ่านออกเขียนได้เริ่มพูดได้แล้วทีนี่คือเริ่มอ่านอะไรออกไกลแล้วทีนีนี่แหละคณิกะสมาธิต่อมาเป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่จิตใจของเราไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านสติควบคุม เราจะให้ใจไปทางไหนใจให้ใจคิดอะไรมีสติในความนึกคิดของตนเองไม่ทะเลาะไหลไม่ปุง่งไม่ฟุง้งไม่ซ่านตะกร้อถ้ามันคิดมากเนี่ยทุกจริงจริงแต่บัดนี้ใจอยู่ในเกราะมีสมาธิเป็นผู้ควบคุมจะให้คิดเรื่องอะไรถ้ามีเรื่องอะไรก็เอานํามาคิดหาเหตุและผลในเรื่องนั้นๆพอจบแล้วก็เอากลับเข้ามาเป็นสมาธิให้อยู่ในในกรอะนี่อันนี้แหลวะวะขีดขัน้นนี้เราอุปจาระนะ คือจิตที่ไม่ไปที่อื่นแต่เมื่อยังนึกคิดได้อยู่เรียกว่าอุปจารสมาธิจิตประเภทเนี้ยอุปจารสมาธิจะพิจารณาร่างกายจะเห็นแยกส่วนเบียดแบ่งส่วนของร่างกายเห็นเกสาโลมานขาตันตาไตาโจเห็นผมขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลือดเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจตับมันจะเห็นได้ชัดเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นดูเพื่อจะพิจารณาเห็นเนื้ออย่างไรก่อเนื้อตัวเอง ก็เห็นเนื้อสีแดงเถือกเหมือนกับเนื้อสัตว์ท่านพิจารณานดูถังตัวเองถลกหนังตัวเองลงไปกองกับพื้นก็เห็นได้ชัดเพราะจิตของเราเป็นอุปจารสมาธิชื่อจิตใจเป็นเป็นหนึ่งเดียวลวท่านเนี่เป็นหนึ่งให้ค่ายวันเอาสติควบคุมจิตเหมือนกับจิตควรแก่การงานลยท่าจิตใจของเรามีสติสัมปชัญญะจิตใจกับสติอยู่พิจารณาอะไรเราจะเห็นได้ชัดในตัวนั้นนี่แหละ ทีนเราเริ่มเห็นคุณเลยทเห็นคุณในสมาธิเลยท่านจากนั้นเรากําหนดดูเอ้าเราหยุดคิดท่านเราก็จาะกาหนดดูใจอย่างเดียวไม่ให้มันคึกนึกคิดไม่ให้ต้องปรุงไม่ต้องให้มันนึกคิดเลยให้กําหนดดูที่ใจของเราใจของเรากรจ็จะสงบว่างจิตใจรวมลงอีกในระดับหนึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งแล้วกันเถอะเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นอีกแนวหนึ่งอันนั้นแปลว่า จิตรวมถึงขั้นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่เราจะไม่ได้ยินเสียงมแมลงวงมแมลงนกไอะไรเสียงร้องเจ๊๊๊จ๊๊จ๊๊จ๊เนี่ยแมลงในป่าร้องอย่านี้เราจะไม่ได้ยินหลวงพ่อพูดดี่ก็จะไม่ได้ยินเพราะจิตของเรารวมเข้าขู่สู่ความสงบเพราะเรากําหนดดูใจของเราท่านนะดูใจไม่ให้มันคิดออกไปข้างนอกมันจะรวมวบลงไปเสียงต่างๆไม่ได้ยิน มีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นนิ่งเราจะรู้ได้เนี่ยจิตประเภทอย่างนี้ล่ะให้พวกเราถ้าทําได้อย่างเนี้ยเราจะรู้ได้เด้ว่ากายกับใจนั้นเป็นคนละอันกันที่จะไปเกิดในวัฏสงสารเวียนว่ายใต้เกิดเนี่ยเนี่ยตัวที่เด่นเด่นชัดๆนี่แหละตัวที่จะออกไปจากร่างกาย จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆจะไปสวรรค์ชั้นผมของตัวเนี้ยถ้าไม่ชำระออกมามันก็ถอนออกมาอีกมันก็ยังมีกิเลสอยู่นะมันก็ถอนออกมาเมื่อจิตสงบเข้าไปหมดกาลังของมันมันก็จะถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาได้มันก็มาสู่อุปจารสมาธิจากนั้นถอนออ ก, ออกจากอุปจารสมาธิเป็นถอนออกมาเป็นจิตใจธรรมดาน้นเมื่อสอนจิตใจธรรมดาเราก็รู้ได้ดตัวเองเมื่อกี้เนี่ย จิตของเราสงบหรือไม่ไม่ต้องถามใครถ้าถามก็ทําท่าถามคนอื่นไปอย่งงางนั้นแหละให้ท่าว่าถามฉันลองเชิงว่าเอ๊ะจิตทําไปอย่างนี้จิตใจสงบใช่ไหมแต่ในตัวเองนั่นร้อยทั้งร้อยยืนยันในตัวเองโอ้จิตสงบเมื่อกี้เนี่ยมีความสุขจริงๆสมกับคำํคำทาคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี จริงเรายอมรับยอมรับในพระบาลีที่พระพุเทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงๆนี่แหละเราได้รับทำคําสอนไม่ใช่เชื่อที่อื่นเชื่อที่การปฏิบัติของเรานี่แหละจากนั้นก่แล้วเราทํำยังไงอีกต่อไปในเมื่อจิตของเราเข้าสู่ความสงบได้อย่างนั้นแล้วย่างนะอีกอย่างอันนี้เพียงแต่สมาธิเท่นั้นนะแล้วว่าสมถะเทฐานนั้นนะอันนี้เพียงพูดให้ฟังหนึ่ง เปียงขั้นสมถะคือเพียงทําจิตให้สงบทางด้านวิปัสนาท่นี้สมถะและวิปัสนาคําวิปัสนาเนี่ยแหละเมื่อจิตเข้าผ่านความสงบแล้วจิตไม่หิวไม่โหยจิตไม่พวกพวบนจิตไม่จิตใจไม่วันไห ว, วไกวแข่งจิตใจไม่องคฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกจิตใจมันอยู่นิ่งพอสมควรแล้วจากนั้นก็เรานํามาพิจารณา ไตรตรองกรรมฐานหาที่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดให้พวกเราพิจารณาอย่างพระบวชใหม่ให้พิจารณากรรมฐานหเกสาหน้ผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกจิตใจที่มันไม่หิวไม่หอยไม่ปุง้งไม่ฟุ้งไม่ซ่านพิจารณาอะไรมันเห็นชัดเจนในความรู้สึกนั้นๆเท่นี้ พิจารณาถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกป้๊มหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาถึงธาตุสีดินน้ำน้ำลมลมไฟก็เห็นได้ชัดเจนจะกําหนดโครงกระดูกในร่างกายของเรามีโครงกระดูกนะก็เห็นโครงกระดูกทั้งโครงเลยสีเดีตั้งแต่กระโหลกศีรษะจนถึงกระดูกคอกระดูกไหายิปตราสนุกแขนกระดูกชี่โครงกระดูกเกลีวกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกฝ่าเท้ากระดูกแขนกระดูก แขนแต่ละข้อแต่ละป้องกระดูกฝ่ามืออยา่างนี้ถ้าเราไม่ดูเนื้อเอ็นกระดูกเนื้อเอ็นในเข้าไปเกี่ยวข้องมีแต่กระดูกมองเห็นแต่กระดูกนั้นกระดูกก็จะขาวโพลในร่าง ก, กายของเราเราเห็นในกระดูกของเราในร่างกายเนี่ยในเมื่อเห็นกระดูกเสร็จแล้วใจใจเอ้ยใจร่างกายนี้เป็นของเราใช่ไหมกระดูกเป็นของเราใช่ไหมผมเป็นของเราใช่ไหม ขนเป็นของเราใช่ไหมเนื้อหนังตับซำไส้สเป็นของเราใช่ไหมใจเมื่อใจจิตใจของเราสงบเป็นหนึ่งผ่านความสงบมาแล้วจิตใจไม่หิวไม่ห่วยแล้วจิตใจไม่วันไหวกวอยแขว่งแล้วจิตใจเป็นหนึ่งแล้วมันมองอะไรเห็นได้ชัดโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเนื้อเอ็นกระดูกจุดไหนก็ตามอันนั้นมันเป็นธาตุสีดินน้ําไฟลมลมไฟไม่ใช่เล่านะอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกต้องสลายลงสู่สภาพของมัน ใจของเราอย่าไปหลงมันมากเกินไปเนะใจนะเสรีกัย้อนมาหาใจมหาตัวผู้รู้ทีนี้มากกำหนดที่ตัวผู้รู้ทําไมใจของเราจึงไปหลงในธาตุสี่ดินน้ําลมไฟสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะแตกสลายนะอย่าไปทุกข์กับมันนะใจนะเราจะไปให้ความสําคัญมานนะใจนะนี่แหละเสรีกัลย์ย้อนมหาตัวผู้รู้คือใจพอมาย้อนถึงตัวผู้รู้คือใจมันก็ปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมัน่นนั่นแหละ ไอ้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นจุดนี้แหละที่ท่านว่าท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นอมตะธาตาาุอมาตะธรรมท่านการกรองดีแล้วนี่มันเอ็นเป็นอีกมิติหนึ่งออกมาจากสิ่งที่ความฉลาดออกมาจากความโง่ความไม่รู้ความหลงราคะโทสะโมหนะจิตใจของเราจะถอนขึ้นมาจากกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจที่เป็นจิตใจเป็น จิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากสิ่งกดทวงทั้งหลายทั้งปวงจิตแจของเราออกจากโลกโลกดึงดูดไม่ได้ทีนี้เป็นอิสระในการเป็นอยู่จังหวะนิพพานเที่ยงก็ใช้เพราะเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับใครๆทั้งหมดจั่หวะนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังศูนยอย่างสิ่งที่จะมาเกาะเกี่ยวทําให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนเหมือนแตก่ก่อน เราสะบัดออกหมดแล้วเป็นศูนย์หมดเลยใจของเราพิอิสระแล้วนี่แหละธรรมธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายและจุดมุ่งมั่นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพระพุทธปฏิบัติธรรมคือจุดสูงสุดคือจุดนี้นะจุดมรรคผลนิพพานขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังถึงเราจะไม่ถึงจุดนี้ก็ให้ฟังเอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาแล้วก็เราก็เชื่อว่าที่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าอย่าเบียดเบียนกันเนออย่าไปฆ่าไปแกนกันอยไปปนไปจี้เขาเนอให้ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเนอให้มีศีลห้าเนอเพียงแค่นี้พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วพวกเราก็มีแต่ความสบายใจมีความสุขทุกคนถาาทุกคนทําอย่างนั้นได้ก็มีความสุข แต่ถึงยังไงจะให้เขาทำอย่างนั้นได้ทุกคนก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเป็นไปอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าคงจะสอนเวนัตว์หรือถอนสัพพสัตทั้งหลายออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะในยุคสมัยนู้นแล้วแต่นี้ท่านก็มันถอนไม่ได้เ ป, เป็นบางคนเหมือนกับเราไปเห็นต้นไม้ภูเขาอยู่ในภูเขานะ่เราจะเอเอาต้นไหน เราจะเอาไม้จันแดงเท่านั้นเนะี่ยเอาจันท์ต้นจันต้นดิต้นจันนะเราก็ไปเอาแต่ต้นจันออกมาแต่ต้นเหล่านั้นก็ยังพลุงพลังเครือเขา่าทวันมันก็ยังมีอยู่เอาต่อไปผู้หน้าไปก็คงจะเลือกเฟ้นเอาอีกพระพุทธเจ้าเกิดมาองนั่นก็มาเลือกเฟ้นเอาอีกแต่พวกเราท่านทั้งหลายควรเมื่อเราได้พบได้เจอพระธรรมคําสั่งสอนพวกเราได้ศึกษาแล้วก็ควรจะทําตนให้เป็นคนดีอย่างน้อยก็ อย่าให้ชีวิตตกต่ำในชีวิตนี้ที่พวกเราได้พบพพุทธศาสนาให้พวกเราพวกเราได้ศึกษาแล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปุลคุณทโทษมีจริงในหลักของพุทธศาสนาตายแล้วกว็อย่างที่ว่านะการทาจิตให้สงบดูได้ว่าเมื่อจิตสงบแล้วเนะ่ยตัวที่รู้แก่ใจนะี่ยเหมือนกับ บ้านกับคนในบ้านงนั้นอ่ะที่หลวงพ่อได้พูดอุปมาอุปไมยให้ฟังร่างกายเหมือนกับบ้านแก่จิตใจเหมือนกับคนในบ้านแต่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าคนในบ้านทําอะไรคิดอะไรหลายๆอย่างเพราะนั้นการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาโดยอํานาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วไตรโลกธาตุขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้มีความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปรารถนาทุกประการเทิน